ย่อถอนผท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20สพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพัราสิ5เเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาหาที่พึ่งทางใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่พวกเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราจะเข้าหาได้เวลาที่เรามาวัดกันถ้าเราไม่ได้มาวัดเราจะไม่ได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็จะไม่มีที่พึ่งทางใจใจของเราก็จะต้องทุกต้องวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆเช่นทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับการพาราดพลาจากสิ่งที่เรารับบุคคลที่เรารับทุกข์จากการที่จะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบ หรือบุคคลที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเรานาบาวัดแล้วเรามาสร้างที่พึ่งทรรใจให้กับตัวเราต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ไน้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการสูญเสียสิ่งต่างๆและบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆที่เราไม่ชอบนี่คือสิ่งเดียวในโลกนี้ที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆได้สิ่งต่างๆที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้เช่นเงินทองข้าวของต่างๆบุคคลต่างๆตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจของพวกเราได้ ไม่สามารถป้องกันไม่ให้ใจของพวกเราทุกกับการกับเหตุการณ์ต่างๆได้เราจึางต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจของเราให้อยู่เหนือกับความทุกข์ต่างๆได้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเรา มีการอยู่ในขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กันได้เพราะเป็นที่พึ่งภายนอกเช่นพระพุทธรูปนี่เป็นที่พึ่งภายนอกหนังสือธรรมะต่างๆที่เรามีอยู่ที่บ้านหรือพระอริยสงฆ์ที่เราไปกราบไหว้ตามวัดต่างๆ ท่านเหล่านี้ถือว่าเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกถ้าเปรียบเทียบก็เปรื้นเหมือนกับยารักษาโรคภัยไข้เจ็บยาถ้าอยู่นอกร่างกายเราเช่นอยู่ที่ร้านขายยาอยู่ที่โรงพยาบาลไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของพวกเราได้จะรักษาได้เราต้องไปเอายา จากร้านขายยาหรือจากโรงพยาบาลแล้วเอามารับประทานเอาเข้ามาในร่างกายของเรายาถึงจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของพวกเราให้หายได้แต่ถ้ายายังไม่ได้เข้ามาในร่างกายต่อให้จะเป็นยาวิเศษขนาดไหนมีราคาแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะ รักษาโรคของร่างกายของเราได้เราจึงต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปรับยาจากหมอมารับประทานพอเราได้ยาแล้วเรารับประทานยาแล้วไม่นานโรคของเราก็หายไปฉันใดข้าพูดพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคใจ ใจของเราก็มีโรคเหมือนกับร่างกายของพวกเราโรคของร่างโรคของใจก็คือความเครียดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความห่วงใยความวิตกกังวลความว้าเหวความเศร้าหมองต่างๆนั้นเป็นยะเป็นโรคของใจที่เราสามารถรักษาให้หายได้ถ้าเรา เอายาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มารับประทานกันเราจึงต้องมาวัดซึ่งเป็นเหมือนโรงพยาบาลมาหาพระสงฆ์หรือมาหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะมารับยาจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวคยาก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที่เราจะต้องเอาเข้ามาสู่ใจของเรา ตอนนี้พระธรรมยังอยู่ข้างนอกอยู่ยังไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้แต่ถ้าเราน้อมเอาเข้ามาภายในใจแล้วเดี๋ยวพระธรรมก็จะมารักษาโรคใจคือความทุกข์ความเครียดต่างๆให้หายไปให้หมดไปวิธีที่จะกินยารับยาของพระธรรม ก็คือเราต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะกันเมื่อเราอ่านแล้วเราจะได้รู้จากวิธีที่เราจะนำเอาธรรมะนี้มาดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปพอเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วเรารู้จากวิธีกินยาแล้วเราก็ต้องกินยาการกินยาก็คือการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราละการกระทำบาปทั้งปวงให้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะการกระทำทั้งสานี้จะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไม่เศร้าโศกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆ นี่คือการรับประทานยารับประทานยาต้องรับประทานด้วยการปฏิบัติก่อนที่จะรับประทานก็ต้องอ่านฉลากยาก่อนว่าต้องกินยาวันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดถ้าเรากินยาโดยที่ไม่อ่านฉลากก็อาจจะกินไม่ถูกตามที่หมอสัง่งกินเข้าไปก็รักษาไม่หาย หรือถ้ากินผิดก็อาจจะทำให้โรคภัยกำเริบมากขึ้นก็ได้ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือศึกษาอ่านฉลากยาอ่านว่าพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านให้เราทำอะไระเมื่อเรารู้ว่าท่านให้ทำอะไรแล้วเราก็นำเอาไปกระทำกันให้ละการกระทำบาปทั้งปวงบาปคืออะไรก็คือการฆ่าสัต การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเช่นการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการคบคนไม่ดีเป็นมิตรความเกียจคร้านการกระทําเหล่านี้จะนําความทุกข์มาให้กับเราคนเกียดคร้านนี้จะต้องเจอแต่ความทุกข์ คนขยันนี้จะไม่ค่อยเจอกับความทุกข์คนเล่นการพนันนี้จะต้องสูญเสียเข้าของเงินทองบทเนื้อหมดตัวและอาจจะสูญเสียชีวิตไปก็ได้เพราะเวลาเล่นการพนันแล้วเวลาได้ก็อยากจะได้มากขึ้นก็เล่นต่อพอเล่นแล้วเดี๋ยวก็เสียพอเสียก็อยากได้คืนก็เล่นอีก ถ้าไม่ได้คืนก็ต้องขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองขายเงินสมบัติหมดแล้วก็ขายบ้านขายช่องหมดแล้วก็ขายที่ดินต่อหมดเนื้อหมดตัวเราไปกู้ยืมเงินเขาพอไม่มีเงินใช้เขาก็ถูกเข้ามาตามค่ามาตามมาตามทวงถ้าไม่ให้เขาก็จะฆ่าเราเสียหมดเลยเรื่องการพนัน พบอกว่าขโมยขึ้นบ้านร้อยครั้งก็ยังสู้คนเล่นการพนันเสียเงินจากการเล่นการพนันไม่ได้เพราะขโมยขึ้นบ้านมันก็เอาได้แต่ข้าวของไปแต่บ้านและที่ดินยังเอาไปไม่ได้บ้านเอาไฟไหม้บ้านมันก็ได้แต่บ้านแต่มันไม่ไหม้ที่ดินที่ดินยังมีอยู่แต่คนที่เล่นการพนันนี้เสียหมดเลย เสียบ้านเสียข้าวของเสียที่ดินแล้วก็อาจจะเสียชีวิตถ้าไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเล่นไปกู้เงินจากอันพานผู้มีอิทธิพลถ้าเราไม่มีเงินคืนเขาเขาก็จะขู่ฆ่าเราแล้วถ้าเราไม่สามารถหามาคืนให้เขาได้เขาก็จะฆ่าเราเพื่อจะได้ทำไม่ให้เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นที่กู้ยืมเงินจากเขาอันนี้คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่ามันเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วพอเราเสพอบายามุขนี้เราก็มีแต่ใช้เงินเที่ยวก็ใช้เงินเล่นการพนันก็ใช้เงินดื่มสุรายาามาก็ใช้เงินไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายแล้วถ้าเงินหมดก็อาจจะต้องไปทำบาปไปลักทรัพย์ พอไปรักทรัพย์เกิดเจ้าของเขาต่อสู้ก็อาจจะต้องฆ่าเขาก็ไปทำบาปนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่ควรกระทำกันเพราะทำแล้วมีแต่โทษตามมามีแต่เรื่องทํามาทำให้เราต้องวิตกกังวลเดือดร้อนถูกถูกจับไปลงโทษขังคุกขังตาราง ถ้าเป็นโทษร้ายแรงก็ถึงกับขั้นประหารชีวิตได้ดังนั้นเราอย่ามาสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราด้วยการละการกระทำบาปทั้งปวงวิธีละก็คือให้เรารักษาศีลห้ากันพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ทุกวันศีลห้านี้จะคุ้มครองจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปกับการกระทำบาปต่าง อันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวงข้อที่สองก็ให้ทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทำสิ่งที่ดีมีคุณมีประโยชน์ซึ่งมีหลากหลายด้วยกันถ้าเราเป็นเด็กเราก็ทำประโยชน์ด้วยการไปโรงเรียนไปศึกษาไปหาวิชาความรู้เพราะวิชาความรู้นี้จะทำให้เรามีงานทำที่ดี มีรายได้ที่ดีเมื่อเรามีรายได้เราก็ไม่ต้องไปหารายได้แบบทำบาตรไม่ต้องไปลักทรัพย์ไม่ต้องไปค้าปาเวณีไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงพูดนี่คือกุศลถ้าเราเป็นเด็กก็ขอให้เราขยันเรียนหนังสือเมื่อเรียนจบแล้วก็ขอให้ขยันทำงานทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เมื่อได้เงินมาก็ให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นใช้กับปัจจัยสี่เช่นอาหารที่อยู่อาศัยยาลักษสาะโรคเครื่องนุ่งหวยอย่าไปใช้กับสิ่งที่เป็นโทษเช่นไปเล่นการพนันไปเที่ยวไปซื้อสุรายาเมามาดื่อย่าใช้เงินแบบนี้มันเกิดโทษถ้าเรา รู้จักใช้เงินมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นกุศลกับเราแล้วก็รู้จักเก็บเงินไม่ใช้ให้หมดเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นงานเราจะมีทาต่อไปหรือไม่สุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรงต่อไปหรือไม่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆจะมีเพิ่มมากขึ้นมาหรือไม่สิ่งต่างๆหลันี้เราต้องคิดเผื่อไว้ ดังเรามีเงินอย่ารีบใช้เงินกันให้รีบเก็บเงินหาเก็บเงินยอยังได้ประโยชน์ได้ดอกเบี้ยอกีกหรือถ้าเราฉลาดก็เอาเงินไปลงทุนไปทำกิจกรรมไปทำการค้าเพิ่มเติมหาไรายได้เพิ่มเติมนี่เรียกว่ากุศลทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างปลอดภัยไม่ไม่เดือดร้อน กับเหตุการณ์ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นเช่นเวลาเศษรษฐกิจตกต่ำเขาอาจจะลดเงินเดือนหรือลดวันทำงานให้น้อยลงลดรายได้ให้น้อยลงแต่ถ้าเรามีเงินเก็บมีเงินสะสมไว้หรือเรามีหาไรายได้จากทางอื่นมามันก็จะทำให้เราไม่เดือดร้อนมากจนเกินไปอันนี้เรื่องของอกุศลความฉลาด ที่เราควรจะทำกันดูแลรักษาตัวเราเองให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยผู้อื่นหัดพึ่งตนเองเพราะว่าผู้อื่นนี้บางเวลาก็พึ่งได้บางเวลาก็พึ่งไม่ได้เวลาเขาเป็นอะไรไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายจากเราไปเราก็พึ่งเขาไม่ได้แต่เราพึ่งตัวเราได้ตลอด เราเราอยู่กับตัวเราตลอดนี่คือการพึ่งตนเองด้วยการไปศึกษาหาวิชาความรู้เมื่อจบปริญญาก็ไปหางานทำเมื่อได้งานทำก็ให้รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้เงินอย่าใช้แบบฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นอย่าซื้อของหรูหรามาใช้ไม่เกิดประโยชน์เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆเสื้อผ้าชุดละ พันกับชุดละหมื่นมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันใส่ใช้ปกปิดอวัยวะร่างกายได้เหมือนกันอาหารมื้อละร้อยกับอาหารมื้อละพันรับประทานแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันดังนั้นถ้าไม่จาเป็นอย่าใช้เงินโดยที่ไม่ปวรจะใช้เก็บเงินไว้ดีกว่าเผื่อพรุ่งนี้ไม่มีงานเรายังมีเงินซื้อข้าวกินได้ ถ้าเราซื้อของแพงๆเสื้ออาหารแพงๆซื้อเสื้อผ้าแพงๆมาใช้เดี๋ยวเวลาไม่มีเงินเอาเสื้อผ้าไปขายก็ไม่ได้ราคาไม่มีใครเขาซื้อของแพงๆซื้อมาแล้วพอจะขายก็ขายไม่ได้ราคาแต่เงินที่เราเก็บไว้นี่มันยังอยู่กับเราและมันเพิ่มมันได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกนั้นอย่ารีบใช้เงินรีบเก็บเงินนะแต่ก็ไม่ให้หัวเงิน ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำบุญต้องช่วยเหลือใครพอเรามีโอกาสทำได้ก็ทำไปเพราะการทำบุญนี้มันเป็นประโยชน์กับเราถึงแม้ว่าเราจะเสียเงินไปเงินที่เราเสียไปนี้จะกลับมาหาเราว่าเป็นเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญชาติน่ากลับมาเกิดยังไงเงินที่เราใช้ในการทำบุญมันก็จะรอเราอยู่ มันจะทำให้เรามาเกิดรวยขึ้นกว่าเกา่าไม่ใช่จนกว่าเกา่าตายไปก็ไปเป็นเทวดาไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นขอทานอันนี้คือประโยชน์ที่เราควรจะกระทำกันกุศลทั้งหลายทำให้ถึงพร้อมมีหลายอย่างขั้นต้นก็นดูแลเลี้ยงดูตัวเราเองขั้นต่อไปก็ตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดา ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ที่เลี้ยงดูเรามาพอท่านแก่ท่านก็อาจจะดูแลตัวเองไม่ได้มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องคอยดูแลท่า น, นการดูแลพ่อแม่ก็เหมือนกับทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากนั้นอย่าทอดทิ้งพ่อแม่อย่าลืมพ่อแม่อย่าลืมพระอรหันต์ในบ้านอย่ามัวออกไปหาพระอรหันต์นอกบ้าน จนลืมพระอาหารที่มีอยู่ในบ้านนีถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ใจของเราจะมีความร่มเย็ยนเป็นสุดจะไม่มีความทุกข์เราต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันการเสียสละแบ่งปันนี้ทำให้จิตใจเรามีความสุขแบ่งปันเงินทองที่เราคิดว่าเราพอจะแบ่งได้เราก็แบ่งไป แบ่งความสุขให้แก่ผู้ที่เขามีความทุกข์ใครตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือกันอย่างญาติโยมวันนี้ก็มาช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในวัดนี้เพราะว่าท่านไม่มีรายได้ท่านไม่มีงานท่านไม่สามารถหาอาหารได้ต้องอาศัยการทาบุญของญาติโยมญาติโยมใส่บาตรถวายข้าวของเงินทองสังฆทาน เพื่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายเพื่อที่ท่านจะได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ก็คือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้บรรลุผลเมื่อมีได้ผลแล้วก็จะได้นำเอาผลนี้มาสั่งสอนกับญาติโยมอีกทีให้ญาติโยมรู้จักวิธีดำเนินชีวิตเพื่อให้มีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ต่างๆดังนั้นการทำบุญก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สำคัญที่เราควรจะกระทำเพราะว่าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ถ้าเราไม่ทำบุญไม่ละ บ, บาปตายไปเราต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเราไม่ทำบาปเราทำบุญได้ตายไปเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทพชั้นต่า ง, างและเวลากลับมาเกิดเราก็จะเกิดดีกว่าเก่า นั่มรวยก่อเก่าเพราะบุญที่เราทำนีเป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารที่มีดอกเบี้ยเวลากลับมานี่เราจะได้ดอกมากกว่าตน้นซีนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำทำบนกันไม่ทำบาปกันแล้วก็ขั้นที่สามท้าวเจ้าก็บอกว่าให้เรามาชาระความโลภความโกรธความหลงกัน พราความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคนี้เอถ้าเรามีเชื้อโรคในร่างกายมันก็จะทําให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเรากินยากําจัดเชื้อโรคได้โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปความทุกข์ของเรานี้ความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเวลาโลาเหล่านี้อยู่ไม่เป็นสุขนะอยากจะได้แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก่อนจะกินได้นอนหลับก็ต้องได้ของที่อยากได้มาเสียก่อนแล้วถ้าไม่อยากได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาก่อความโกรธก็ไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะทำให้ต้องไปทำบาปทำกรรมไปทำร้ายผู้ทำให้เราโกรธทั้งนี้ทั้งนั้นท่านบอกว่าความโลภความโกรธนี้มันก็เกิดจากความหลงความหลงคืออะไรคือความเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกองจากเป็นดอกบัว<ม>เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเนี<ม>่ยพวกเราทุกวันนี้หาความทุกข์กันโดยที่เราคิดว่าเป็นความสุขเราหาอะไรกันเราก็หาเงินทองหาข้าวของหาคนนั่นคนนี้เพราะเราคิดว่าได้เขามาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราลืมไปว่าบางเวลาเขาก็อาจจะจากเราไปก็ได้พอเขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขา ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเวลาอยู่ด้วยกันก็กังวลห่วงใยกันวิตกกลัวว่าเขาจะไม่อยู่กลัวว่าเขาจะหายไปนี่คือความทุกข์ที่เราหากันเพราะหลงคิดว่าเขาเป็นความสุขเพราะคิดว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงพอเขาเปลี่ยนไปเราก็เสียใจ คนที่เคยดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็เสียอกเสียใจนี่คือความหลงทำให้เราไม่เห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความทุกข์ทั้งนั้นและมีสิ่งเดียวที่เป็นความสุขก็คือการกาจัดความโลภความโกรธความหลงนี่เองเพราะถ้าเราสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ใจของเราจะสงบ เมื่อสงบแล้วก็จะมีความสุขเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันเราจึงไม่หากันแทนที่จะมาหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาเรากลับไปหาสิ่งที่ทําให้เราทุกกันไปหาลาบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกิน่นรส เวลาเราได้มาเราก็ดีอกดีใจกันแต่พอเวลาเขาเสื่อมไปเปลี่ยนไปหรือหมดไปเราก็ร้องโหยร้องไห้กันเพราะเรามองไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นลงๆดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปเกิดบ้างดับบ้างแต่เราอยากจะให้ดีอย่างเดียว อยากให้อยู่ไปนานๆไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันดับเราก็เลยต้องมาทุกข์เนี่ยความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากที่อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีไปตลอดแต่สิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะดีไปตลอดมีสิ่งเดียวที่จะดีไปตลอดแต่พวกเรากลับไม่หากันก็คือความสงบความสงบที่เกิดจากการกำจัดความโลภความโกรธความหลง เราจะกำจัดความโลภโกรธหลงได้เราก็ต้องอาศัยความฉลาดของพระพุทธเจ้าอย่างวันนี้เรามาฟังเทศฟังธรรมวันนี้เรารู้วิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงด้วยตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือสั่งสอนให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ชำระความโลภความโกรธความหลงด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาคอยเตือนใจสอนใจไม่ให้ไปหลงกับลาบยศสรรเสริญไม่ให้ไปหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันมาแล้ววันหนึ่งมันก็จากเราไปหรือเราต้องจากเขาไป เวลาจากการก็เกิดความทุกข์ใจถ้าเรามีปัญญาแล้วเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจของเราก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลามยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสแลนะ้ความสุขนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถึงแม้ว่าร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจของเราก็มีความสุขอันนี้ที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ไม่ต้องมาโลภมาโกรธมาหลงใหม่เพราะไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ภายในใจแล้วเรากําจัดมันหมดแล้วด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี่คือการมาสร้างที่พื่งทางใจด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะได้พบกับความสุขเราก็จะได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปจึงขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อความมั่นใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันจะพาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรจะทำให้เรา ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกต่อไปถ้าเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติกันเราจะได้ละการกระทำบาปทั้งปวงเราจะยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมและเราจะชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. เมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็คือการดับของความทุกข์ทั้งหลาย mm hmm. ก็จะปรากฏขึ้นมา mm hmm. ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรก็จะปรากฏขึ้นมา จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างกุศลมาละการกระทาบาเพื่อมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้